เราควรศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมให้ชัดเจนถึงจะไม่ศึกษามากอย่างน้อยที่สุดก็ควรศึกษาเรื่องเกี่ยวกับกิจในอริยสัจและมหาสติปัฐานบทที่4จุดอ่อน ของนักปฏิบัติธรรมการปฏิบัติธรรมหรือการดำเนินมคคปฏิปทาเปรียบเหมือนการเดินทางไกลไปสู่ดินแดนที่นักสำรวจและนักเดินทางในอดีตคือพระพุทธเจ้าและพระอริยสาวกส่งคนพบและดำเนินล่วงหน้าไปก่อนแล้วแต่เรายังไม่เคยไปยังดินแดนนั้นด้วยตนเอง ก่อนการเดินทางเราจึงจำเป็นต้องเตรียมความพร้อมด้วยการศึกษาเส้นทางและเรียนรู้ถึงสิ่งที่จะเป็นอันตรายในระหว่างทางตามคำบอกเล่าของท่านผู้ประเสริฐเหล่านั้นรวมทั้งพัฒนาศักยภาพและป้องกันแก้ไขจุดอ่อนของตนเองให้ดีเสียก่อนเพื่อการเดินทางจะได้สะดวกราบรื่นปลอดภัยและถึงที่หมายโดยเร็ว บทความเรื่องนี้จึงจะกล่าวถึงจุดอ่อนที่พบบ่อยในหมู่เพื่อนนักปฏิบัติและการเตรียมความพร้อมก่อนลงมือปฏิบัติธรรมเพื่อการปฏิบัติธรรมจะได้ประสบผลสาเร็จสมตามความมุ่งหมายโดยเร็วจุดอ่อนที่พบบ่อยในหมู่นักปฏิบัติมีดังนี้คือ1การไม่ศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าให้ดี นักปฏิบัติส่วนมากไม่ค่อยใส่ใจศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าพูดง่ายๆก็คือไม่สนใจพระประยะิยัติธรรมพอนึกอยากปฏิบัติธรรมก็มักจะกระทาในสองลักษณะคือ 1.1 การลงมือปฏิบัติธรรมไปตามความรู้ความเข้าใจที่คิดเอาเองแล้วเกิดพฤติกรรมสำคัญสองกลุ่มคือกลุ่มแรก ลงมือนั่งสมาธิเพื่อเพ่งจ้องบังคับจิตใจให้สงบเพราะคิดว่าการปฏิบัติธรรมก็คือการนั่งสมาธิอีกกลุ่มหนึ่งคือพวกนักคิดก็จะลงมือคิดพิจารณาธรรมะเอาเองโดยอัตโนมัติหรือหานังสือธรรมะมาอ่านแล้วก็คิดคิดเอาเช่นคิดถึงความไม่มีตัวตนและความว่างเป็นตน้น ทั้งที่การปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนานั้นจะหยุดอยู่ในขั้นของการคิดหรือการใช้จินตามยญปัญญาไม่ได้ 1.2 การแสวงหาอาจารย์ซึ่งก็พอจะแบ่งตามพฤติกรรมได้สองกลุ่มคือกลุ่มแรกเข้าไปปฏิบัติธรรมในสำนักใดสำนักหนึ่งที่คิดหรือได้ยินว่าน่าจะดีทั้งที่ตนเอง ก็ไม่มีความรู้ความเข้าใจพอที่จะแยกแยะได้ว่าคำสอนใดดีจริงเพราะสอดคล้องกับคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือคำสอนใดเป็นสิ่งที่อาจารย์คิดขึ้นเองซึ่งอาจจะขัดกับคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ได้การเลือกสำนักอาจารย์จึงกลายเป็นเรื่องสุ่มเสี่ยงตามบุญตามกรรมคือหากกุศลวิบากให้ผลก็ได้พบอาจารย์ดีหากอกุศลวิบากให้ผล ก็ได้พบอาจารย์ผิดต้องเสียเวลาบ้างเสียทรัพย์สินเงินทองบ้างเสียสุขภาพบ้างและเสียสติบ้างอีกกลุ่มหนึ่งคือพวกที่เข้าสํานักนั้นออกสานักนี้ไปเรื่อยๆเพราะแยกแยะไม่ออกว่าคำสอนของแต่ละสํานักแตกต่างกันอย่างไรจึงคิดว่าที่ไหนที่ไหนก็ดีเหมือนกันทั้งนั้นถ้าได้ฟังธรรมหลายแห่ง เพื่อจะเกิดความรู้ความเข้าใจธรรมะขึ้นมาบ้างคนกลุ่มนี้ยากที่จะปฏิบัติธรรมได้จริงเพราะวันหนึ่งหัดบริกรรมพุโทโธอีกวันหนึ่งหัดกำหนดลมหายใจอีกวันหนึ่งหัดกาหนดพ่องยุ่อีกวันหนึ่ ง, ห, ห, ง, น ห, นงหัดกำหนดรูปนามในอิริยบทสีเป็นต้นรวมความแล้วก็คือแม้จะพบอาจารย์ที่ดี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 อย่าไปยึดถือตำราที่แต่งเติมกันขึ้นในชั้นหลังมากนักก็แล้วกันเพราะอาจจะพาฟั่นเฟือเข้ารกเข้าพงมากยิ่งขึ้นก็เป็นได้ 2. การติดใจในกามคุณอารมณ์พูดง่ายๆก็คือการติดในความสุขสนุกสนานเพลิดเพลินต่างๆในทางโลก ได้แก่ความเพลิดเพลินพอใจในความสุขจากการได้เห็นรูปสวยได้ยินเสียงเพราะได้ดมกลิ่นหอมได้ลิ้มรสอร่อยและได้รับสิ่งสัมผัสทางกายที่ดีทำให้ขาดความตั้งใจจริงหรือเกิดความท้อถอยที่จะปฏิบัติธรรมคล้ายกับคนที่อยากเดินทางไกลด้วยแต่ก็เสียดายความสุขสบายเมื่ออยู่บ้านด้วยกลัวว่าถ้าต้องเดินทางแล้วจะได้รับความลาบาก ดังนั้นพอออกเดินทางไปได้เพียงเล็กน้อยก็มักย่อท้อถอยหลังกลับด้วยเหตุนี้เองครูบาอาจารย์บางท่านจึงมีปณิธานที่จะอบรมสั่งสอนบนรรพชิตผู้ประพฤติพรหมจรรย์เป็นพิเศษเพราะเห็นว่าเป็นผู้สลักความเพลิดเพลินในการมกุนอารมณ์ออกมาแล้วแต่ในความเป็นจริงท่านก็ไม่ได้รังเกยียจครวญเพราะครวญ ก็สามารถปฏิบัติธรรมได้ที่ปฏิบัติจนถึงขั้นสำเร็จเป็นพระอาหารหันต์ก็มีหลายท่านเช่นยักษกุลบุตรพาหิยะารุจิรยะและพระเจ้าสุโธธนะเป็นต้นแต่ทั้งนี้คารวาดผู้นั้นก็ต้องมีบารมีคือเคยฝึกฝนจิตใจจนไม่ลหลงไหลในกามกุลอารมณ์จนลืมธรรมะอย่างไรก็ตาม การจะให้ครวาสศึกษาปฏิบัติธรรมจนถึงความบริสุทธิ์หมดจดบริบูรณ์อย่างบรรพชิตนั้นยากเต็มทีเพราะวิถีชีวิตไม่เอื้ออํานวยให้ใช้ความเพียรได้เต็มที่นักในขณะที่เพศบรรพชิตมีภาระรุงรังน้อยกว่านี่คือเหตุผลความจำเป็นอีกอย่างหนึ่งที่ทำให้ชาวพุทธควรรักษาสืบทอดการบรรพชาอุปสมบทเอาไว้อย่าปล่อยให้สมณวงศขาดศูนย์ เพราะจะเป็นความสูญเสียโอกาสในการปฏิบัติธรรมของผู้ต้องการความหลุดพ้นซึ่งก็คือความสูญเสียที่ยิ่งใหญ่อย่างหนึ่งของมนุษยชาติทีเดียวเพื่อป้องกันแก้ไขหยุดอ่อนในเรื่องการติดใจในการมคุณอารมณ์ผู้ปฏิบัติควรศึกษาหลักการเจริญสติให้ดีเสียก่อนที่จะลงมือปฏิบัติจะได้ไม่ประสบความยากลาบากมากนัก ถ้าเมื่อใดสามารถจเจริญสติได้ถูกต้องเมื่อ น, นั้นผู้ปฏิบัติจะพบเครื่องอยู่เป็นสุขในปัจจุบันคือทันทีที่มีสติจิตจะเกิดโสมนัสเวทนาคือความสุขทางใจบ้างเกิดอุเบกขาเวทนาคือความรู้สึกเป็นกลางและมีความสงบตั้งมั่นทางใจบ้างความสุขอันแสนประนีตนี้เองจะทดแทนการ ม, มาสุขซึ่งกลายเป็นของห ย, ยาบๆในความรู้สึกไปทันที จิตจะค่อยคลายออกจากความผูกพันในกามกุฎอารมณ์โดยไม่ต้องบังคับกดข่มคล้ายกับเราสามารถทิ้งกระดูกไก่ที่มีอยู่เดิมไปได้อย่างไม่เสียดายเมื่อมีอาหารใหม่ที่สะอาดและอร่อยกว่ามาทดแทนอย่างเหลือเฟือความจริงยังมีวิธีการปฏิบัติอย่างอื่นอีกที่จะแก้ปัญหาความติดใจในกามกุฎอารมณ์ได้เช่นการฝึกสมาธิแต่ผู้เขียนไม่ได้แนะนําเรื่องนี้ เพราะการฝึกสมาธิเหมือนดาบสองคมถึงมีคุณก็มีอันตรายหลายอย่างเช่นถ้าฝึกพลาดก็อาจจะวิกลจริตหรือเกิดมิจฉาทิฐิหรือไปติดสุขในสมาธิเป็นต้นต่างจากการฝึกเจริญสติซึ่งได้รับความสุขด้วยและเป็นต้นทางของการเจริญวิปัสสนาได้ด้วยอย่างไรก็ตามท่านใดสนใจจะฝึกสมาธิ ก็ขออนุโมทนาด้วยเพราะถ้ามีครูบาอาจารย์ที่ดีคอยดูแลให้ก็สามารถก้าวหน้าในทางธรรมได้เช่นกันจุดอ่อนประการที่สมคือการชอบลุกคลีกับหมู่คณะเช่นการชอบพูดคุยหรือห่วงคนนั้นห่วงคนนี้จนลืมห่วงตนเองแม้กระทั่งความห่วงใยในกิจกรรมของส่วนรวมเมื่อสนใจหรือห่วงคนอื่นสิ่งอื่น ก็เป็นเหตุให้จิตใจฟุ้งซ่านไม่ตั้งมั่นและเด็ดเดี่ยวในการปฏิบัติธรรมซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องปฏิบัติเฉพาะตัวคือต้องใช้เวลาในการตามรู้กายและตามรู้ใจของตนเองค่อนข้างสูงการคลุกคลีกับหมู่คณะนั้นมีความหมายกว้างแม้กระทั่งการสนทนาธรรมทั้งต่อหน้าทางโทรศัพท์และทางอินเทอร์เน็ตแบบไม่รู้จักกาลเทศะก็จัดเป็นการคลุกคลี เพราะจะทำให้จิตฟุ้งซ่านและเกิดกิเลสหยาบหยาบได้ง่ายเพื่อป้องกันหยุดอ่อนในเรื่องนี้พระพุทธเจ้าจึงทรงสอนอยู่เสมอว่าไม่ควรคลุกคลีกับหมู่คณะไม่ติดตระกูลและให้สำรวมอินทรีย์เป็นต้นจุดอ่อนประการที่สได้แก่ความเกียดคร้านและการผัดวันประกันพรุ่งเพื่อนนักปฏิบัติจำนวนมาก อยากบรรลุมรรคผลนิพพานไวๆแต่เกียดคร้านที่จะปฏิบัติธรรมหรือบางท่านห่วงงานทางโลกจะขอทำงานต่างๆให้เสร็จเสก่อนจึงจะเริ่มลงมือปฏิบัติธรรมทั้งที่ธรรมชาติของงานนั้นไม่มีวันเสร็จดังนั้นถ้าไม่ลงมือจเจริญสติไปทางานไปจะรอให้ทำงานเสร็จเสก่อนก็มักจะไม่มีโอกาสได้ปฏิบัติธรรมจนตลอดชีวิตแท้จริงแล้ว ในระหว่างการทํางานที่ไม่ต้องใช้ความคิดมากนักถ้าเข้าใจอยู่เรื่องการปฏิบัติธรรมก็สามารถปฏิบัติธรรมไปพร้อมกับการทํางานได้เลยอุบายในการแก้กความเกียดคร้านเฉืยชามีหลายอย่างเช่นการหมั่นไปพบครูบาอาจารย์เป็นครั้งคราวการข่มใจด้วยการตั้งใจมั่นว่าขี้เกียจก็จะปฏิบัติขยันก็จะปฏิบัติและ การพิจารณามรณาสติเป็นตน้นจุดอ่อนประการที่5ได้แก่ความไม่อดทนต่อคำสั่งสอนของครูบาอาจารย์นับตั้งแต่การไม่ทําในสิ่งที่ครูบาอาจารย์แนะนําให้ทาไม่เว้นในสิ่งที่ครูบาอาจารย์ให้เว้นหรือถือความคิดเห็นของตนเป็นใหญ่เช่นสั่งให้ทําสมถะก็จะทําวิปัสสนาสั่งให้ทาวิปัสสนาก็จะทาสมถะ สั่งให้ตามรู้กายก็จะตามรู้จิตสั่งให้ตามรู้จิตก็จะตามรู้กายหรือดื้อรั้นตีโภยตีพายหรือโกรธเคืองครูบาอาจารย์ที่สั่งสอนเป็นเหตุให้ครูบาอาจารย์ท้อใจและท้อธุระที่จะอบรมสั่งสอนนับว่าเสียประโยชน์ของตนโดยแท้แต่ทั้งนี้จุดอ่อนในข้อนี้หมายถึง การไม่อดทนต่อคำสั่งสอนของครูบาอาจารย์ที่สอนถูกต้องตามพระธรรมวินัยเท่านั้นหากครูบาอาจารย์สอนไม่ถูกต้องตามพระธรรมวินัยก็ควรพิจารณาตนเองว่าเหตุใดจึงได้ครูบาอาจารย์เช่นนั้นแล้วอย่าทําผิดเช่นนั้นอีกอุบายแก้ดื้อนั้นพวกเราคว ร, ควรคิดพิจารณาเอาเองเพราะหากแก้ไขตนเองไม่ได้และครูบาอาจารย์แก้ให้ไม่ไหว ครูบาอาจารย์ก็จําเป็นต้องใช้มาตรการสุดท้ายซึ่งพระพุทธเจ้าทรงสั่งท่านพระอานนท์ให้นําไปใช้กับท่านพระช น, นะจอมดือ้อคือการลงพรหมทันได้แก่การเลิกอบรมสั่งสอนจุดอ่อนประการที่6ได้แก่การละเลยศีลและศขาเรื่องนี้เพื่อนนักปฏิบัติบางท่านไม่เห็นความจําเป็นของการรักษาศีล มุ่งแต่จะทำสมาธิหรือเจริญปัญญาซึ่งนับว่าเป็นการข้ามขั้นตอนของการปฏิบัติคล้ายกับการสร้างอาคารบนพื้นที่ไม่แข็งแรงและไร้การวางฐานรากที่ดีสมาธิที่ไร้ศีลนั้นเสื่อมง่ายส่วนปัญญาที่ไร้ศีลก็มักจะเป็นปัญญาจอมปลอมที่เป็นเครื่องมือของกิเลสมากกว่าที่จะเป็นเครื่องจำระกิเลสดังนั้น ถ้าเราต้องการปฏิบัติธรรมเพื่อใหถึงมรรคนิพพานกันจริงๆก็ไม่ควรละเลยการรักษาศีลอย่างต่ำต้องมีศีลห้าประจําใจไว้ทุกวันทุกวันจึงจะนับได้ว่าเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เหมาะแก่การจะสร้างคุณงามความดีให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปจุดอ่อนประการที่7ได้แก่การละเลยจิตศกขาคือไม่ใส่ใจจะศึกษาเรื่องการเตรียมจิต ให้พร้อมสำหรับการเจริญวิปัสนาจำแนกได้สองลักษณะคือกลุ่มแรกสนใจการทำสมาธิแต่ไปหลงทำมิจฉาสมาธิประเภทมุ่งทำจิตให้สงบแบบลืมเนื้อลืมตัวบ้างมุ่งจะเอาฤทธิ์เดชหรืออภินยาบ้างหรือมุ่งจะเที่ยวรู้เที่ยวเห็นสิ่งที่เหนือธรรมดาต่างๆบ้างอีกกลุ่มหนึ่งไม่สนใจการเตรียมความพร้อมของจิตเลย คือไม่สนใจเรื่องสัมมาสมาธิจู่ๆก็จะเอาจิตที่ไม่มีคุณภาพไปกำหนดรู้กายกำหนดรู้ใจลักษณะเช่นนี้มักเกิดขึ้นกับนักปฏิบัติที่อ่านมากรู้มากหรือคิดมากจึงเห็นความสำคัญเฉพา ะ, ะศีลสิกขาและหรือปัญญาสิกขาเท่านั้นแท้จริงก่อนการปฏิบัติธรรมในขั้นการเจริญสติเจริญปัญญา จำเป็นต้องเตรียมความพร้อมของจิตหรือมีจิตสิกขาสิก่อนจนกระทั่งจิตมีสัมมาสมาธิคือตั้งมั่นอ่อนควรแก่การงานปราศจากกิเลสและอุปกิเลสนั่นแหละจึงควรใช้จิตนี้ไปเจริญสติเจริญปัญญามิฉะนั้นแล้วจิตจะฟุ้งซ่านจับอารมณ์ประมัิได้ไม่ชัดเจนบ้างไปหลงเพ่งอารมณ์บัญญัตบ้าง ไปคิดถึงอารมณ์ปรมาจับ้างผูกกิเลสครอบงำจนลืมการปฏิบัติบ้างและที่สำคัญก็คือถ้าขาดสัมมาสมาธิจะรู้ทุกได้ไม่ชัดเจนถึงอกถึงใจจึงไม่สามารถปล่อยวางความยึดถือรูปนามได้จิตสิกขาไม่ได้หมายความถึงการนั่งสมาธิหรือการทำฌานอย่างเดียวมีมากทีเดียวที่พวกเราทาสำมาธิกันแล้ว จิตไม่ตั้งมั่นแต่กลับถูกโมหะบ้างถูกราคะบ้างเข้าแทรกเรื่องจิตสิกขาเป็นเรื่องสาคัญมากเพราะเป็นการทาจิตให้ตั้งมั่นอยู่กับเนื้อกับตัวเกิดความรู้สึกตัวหรือรู้เนื้อรู้ตัวแล้วรู้กายรู้ใจได้ดังจะได้กล่าวต่อไปในหนังสือเล่ม น, นี้จุดอ่อนประการที่แปได้แก่ ความอยากปฏิบัติธรรมนักปฏิบัติธรรมเกือบทั้งหมดเจริญสติปัฏฐานด้วยจิตที่ถูกตัณหาหรือความอยากที่จะปฏิบัติเข้าแทรกจึงเกิดการดิ้นรนทางจิตต่างๆนานาเช่นเกิดการตั้งท่าหรือจงใจปฏิบัติเกิดการแสวงหาอารมณ์เกิดการเพ่งอารมณ์หรือจงใจกำหนดอารมณ์คือส่งจิตเข้าไปเพ่งอารมณ์ภายในบ้าง ตึงความรู้สึกไว้ที่กายบ้างและเกิดการแทรกแซงจิตและอารมณ์หรือคิดพิจารณาอารมณ์และทำอื่นๆด้วยจิตที่ฟุ้งซ่านบ้างทําให้จิตพลาดจากการรู้สภาวะธรรมอย่างถูกต้องแท้จริงการเจริญสติปัฏฐานก็ไม่มีอะไรมากนักหรอกเพียงมีความรู้สึกตัวแล้วตามรู้กายหรือตามรู้ใจไปตามความเป็นจริงของกายหรือใจเท่านั้นเอง หากมีความรู้สึกตัวได้แล้วถึงไม่อยากจะรู้ก็ต้องรู้กายหรือรู้ใจอย่างใดอย่างหนึ่งแน่นอนจุดอ่อนประการที่เก้าได้แก่การคาดหวังผลของการปฏิบัติโดยมุ่งความสำเร็จของการปฏิบัติด้วยอำนาจของกิเลสตัณหาประเภทอยากรู้อยากเห็นอยากเป็นอยากได้ในสิ่งที่ดีงามต่างๆทำให้จิตไม่ตั้งมั่นและฟุ้งซ่านวุ่นวาย ทั้งที่ในความเป็นจริงแล้วหากนักปฏิบัติท่านใดตั้งเป้าหมายไว้เพียงการตามรู้กายตามรู้ใจเพื่อรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงจะมีโอกาสประสบความสำเร็จสูงกว่าผู้ที่ปฏิบัติด้วยความคาดหวังว่าจะได้ผลอย่างนั้นอย่างนี้เมื่อนั้นเมื่อนี้ซึ่งเมื่อไม่ได้ผลตามที่คาดหวังไว้ก็มักจะหมดกำลังใจที่จะปฏิบัติธรรมในเวลาอันรวดเร็ว จุดอ่อนประการที่สิบได้แก่ความประมาทคือการละทิ้งการเจริญสติหรือทิ้งความรู้สึกตัวและทอดทิ้งการตามรู้กายตามรู้ใจของตนเองจะทอดทิ้งด้วยเหตุใดก็ตามจัดว่าเป็นความประมาทได้ทั้งสิน้นบุคคลผู้ไม่มีความรู้สึกตัวก็เหมือนคนตายหรือคนนอนหลับ มีชีวิตอยู่ร้อยปีก็ไร่ความหมายเพราะมัวแต่อยู่ในโลกของความฝันไม่ได้อยู่ในโลกของความจริงสู้ผู้มีชีวิตเพียงวันเดียวซึ่งจเจริญสติอยู่ด้วยความไม่ประมาทไม่ได้วิธีการทำให้ความรู้สึกตัวเกิดบ่อยๆก็คือการจเจริญสติปัฏฐานซึ่งจะได้กล่าวต่อไปในหนังสือเล่มนี้เพื่อนนักปฏิบัต ที่สามารถกระจัดจุดอ่อนในตนเองได้มากเท่าใดก็มีความพร้อมในการเจริญมั่งมากขึ้นเท่านั้นเปรียบเหมือนคนที่เตรียมตัวอย่างดีในการเดินทางไกลนับตั้งแต่การศึกษาแผนที่คือศึกษาคําสอนของพระพุทธเจ้าหาผู้นําทางคือกัลยาณมิตรหรือครูบาอาจารย์หาอุปกรณ์ที่จําเป็นคือศีลและสมาธิเตรียมกาย เตรียมใจให้พร้อมที่จะรับสถานการณ์ที่คาดไม่ถึงด้วยความมีสติไม่ประมาทและมีใจเด็ดเดียวไม่ห่วงหน้าพะวงหลังบุคคลเช่นนี้มีโอกาสประสบความสำเร็จในการปฏิบัติธรรมคือสามารถพ้นทุกได้มากกว่าคนที่ลงมือปฏิบัติธรรมไปตามยถากรรม